ขอนอมน้อมถุ น, นพัฒธนัตไกรข้าราชการพระอาจารย์ทรงศิลปเพื่อนสัตธรรมิุท่านเจริญธรรมแม่ชีและญาติธรรมทุกท่านขอ <c oughs> น, น, นั่ง <c oughs> นั่งสบายๆเนาะแล้วก็ <c oughs> กลับมารู้สึกตัวกันเนาะ <c oughs> คือจริงๆแล้วคนเราเนะีมันถ้าคนไม่เคยไปฏิบัติธรรมเนี่ย <c oughs> สวนมาก็จะไม่รู้สึกตัวกันเนาะ แทบจะเรียกว่าเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นไม่ไม่เคยรู้สึกตัวกัน <c oughs> เพราะว่าเป็นความเคยชินของคนเราอยู่ตลอดเวลาเนาะ <c oughs> สมัยก่อนเราก็จะเป็นคนคิดเก่งคิดเก่งแล้วก็ติดอารมณ์ต่างๆเนาะติดความโกรธความรักความชางัง <c oughs> อารมณ์ต่างๆเนี่ยติดง่ายแล้วก็ไหลไปตามอารมณ์ต่างๆมากมายเนาะ <c oughs> เพราะว่านั้นเป็นความเคยชินที่ว่าเรา ไม่มีความรู้สึกตัวกันเนาะการนี้เราไม่รู้สึกตัวมันก็หลงเข้าไปในไม่รู้กํากลังทําอะไรอยู่นะกายไม่รู้ว่ากายกาลังทําอะไรอยู่จิตใจแล้วก็หลงเข้าไปในรมต่างๆหลงเข้าไปในความคิด <c oughs> คิดยาวๆนะคิดนานบางทีคิดไปยี่สิ 20, บสามสิบนาทีก็ไม่รู้กําลังคิดนะก็ไปช่วยคิดต่างหากาคิดแล้วก็มีลมต่างๆมา ก, ม า, กมายความรักความชัง ความโกรธความเกลียก็ตามมามากมายเนาะนะก็ทําให้เป็นคนเจ้าอารมณ์นะกระทบอารมณ์นิดหน่อยก็เป็นคนเจ้าอารมณ์นะเป็นคนขี้งุนหงิด ต, ต่างๆมากมายเนาะอันเนี้ยคนส่วนใหญ่ก็คล้ายๆแบบนี้กันนะอนะันนีนะ้ผู้ที่มาฝึกแล้วก็เริ่มที่จะสังเกตกายได้สังเกตกายจากการที่เราฝึกนี่แหละเยือนเดินนั่งนอนนะรู้ตัวกันนะดื่มกินพูดคิดก็รู้สึกตัว มาฝึกสร้างจังหวะเดินจงกรมให้เป็นเครื่องอยู่เครื่องรู้ของจิตเนาะแทนที่จิตก็จะไหลเป็นอารมณ์ต่างๆวันๆหนึ่งก็มันจะหลงไปมากนะกลับมารู้สึกตัวบ่อยๆรู้ทางกายทางใจบ่อยๆจิตก็มีที่ตั้งมีเครื่องอยู่ของจิตนะมันก็เป็นการที่เรียกว่าจิตมันก็เป็นเด็กเนาะเด็กเนี่ย ถ้าเด็กไม่มีบ้านอยู่ก็จะวันๆนั่นก็วิ่งเที่ยวแบงก์นอกตลอดไม่ค่อยกลับบ้านนานๆก็กลับมาทีหนึง่งนะตอนนี้ถ้าบ้านมีมีบางอย่างให้เด็กเล่นเด็กทำํำมีเครื่องเล่นให้เด็กอยู่เด็กก็สามารถอยู่ได้นะเด็กก็ไม่ไปไกลไปแล้วก็กลับมาไปแล้วก็กลับมาเนี่ยแหละเพราะว่ามีมีของเล่นอยากจะกลับบ้านมาอยู่บ้านบ่อยๆกลับบ้านนานๆเนาะ ความจิตก็เหมือนกันนะจิตไม่มีเครื่องอยู่มันก็แล่นไปในอารมณ์ต่างๆะเพลิดเพลินไปในอารมณ์ต่างๆรูปรสกลิ่นเสียงผดภพธรรมลมนะเพราะว่าอันนี้ก็คือคนเราชอบเพลิดเพลินอยู่แล้วอย่างที่ว่ามันเป็นตันหาอย่างหนึ่งคือกามาตันหานี่แหละ <c oughs> เดี๋ยวก็ไหลไปทางรูปนะนะชอบมองรูปดูรูปต่างๆบางทีเราไม่เจอรูปก็ไปสแสวงหารูปเดี๋ยวนี้จะมีเยอะเลยนะถ้าเราดูามีอินเทอร์เน็ต เราก็เปิดดูได้ง่ายนะบางคนนี่อยู่ตามป่าทังเขาก็สมัยนี้ก็มันก็ว่าเปิดดูได้หมดนะมีข่าวมีไม่รู้ว่ามันดูอย่างอื่นได้ก็ตามปล่าไม่ใน่าใจนะมไม่รู้ดูได้กี่อย่างเนาะแต่มันก็ดูได้หลายอย่างนลมันก็มันก็ดูเหมือ น, นกับเราเคยดูอะไรทั้งหลายแหละที่ดูได้ง่ายเนาะ <c oughs> เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็ไหลไม่ได้ทั้งรูปได้ง่ายแนละ้วมันไหลเอเข้าไปง่ายมากกว่าเมื่อก่อนแนละมาเมื่อก่อนเราอยู่ในวัดเนี่ย มันก็ไม่มีอะไรให้ดูนะมันก็ดูอ่สิ่งที่อยู่รอบๆตัวนี่แหละดนะูกุฏิบ้างดูป่าบ้างต้นไม้ดูก็ได้ใกล้ๆนะแต่ถ้ามีอินเทอร์เน็ตก็ดูไกลนะดูไกลไปเลยดูงสิ่งต่างๆได้เยอะเนี่ยมันก็ไหล ไ, ไลป้นทางรูปนะพรงนี้ก็เป็นสิ่งเนิ่นช้าในการป ร, รนะทุมเนาะหูก็เหมือนกันนะหูเราเมื่อก่อนเราก็ <c oughs> ได้ยินใกล้ๆนี่แหละได้ยินออ่เสียงพูดคุยธรรมดาเสียงรถวิ่ง หรือเสียงสวนมนเสียงตีะระฆังเดืรจะเสียงชาวบ้านจัดงานกันนะมีมหาห่อระนะก็เป็นเสียงตามธรรมชาติของเขาเนาะต่อหลังถ้าเรามีอนินเทอร์เน็ตล้วก็ฟังได้นะฟังต่างๆได้เยอะนะมันก็ฟังได้มากขึ้นกว่าเก่าอยู่ตามป่าตามเขาเราฟังได้ <c oughs> มันก็ไหลเพลินไปนะในทางเสียงต่างๆเราเนี่ยเนาะ หรือเมื่อก่อนนั้น <c oughs> ที่วัดนี้ก็มีอาหารการกินไม่ค่อยสมบูรณ์นะมันก็ จ, จะได้บางอย่างที่มันไม่ได้ถูกใจมีน้อยเราก็สามารถอยู่ได้เนาะแต่ตอนหลังมันก็อาจจะมีญาติโยมมาถวายพระตาหารต่างๆมากขึ้นแล้วก็มีอาหารการกินที่ดบสมบูรณ์แล้วก็ไหลไปทางรสนั่นแหละไหลไปทางลิ้นนะมีอาหารก็ติดใจชอบใจเนี่ย อันนี้ก็เป็นอันตรายนะเพราะ ว, ว่ามันไหลเข้าไปในทางลดทางชาติะถ้าเราก็ไปเพลิดเพลินกับรสชาติอาหารต่างๆเหล่านั้นเนาะนะ <c oughs> นหรือในทางอร่างกายก็เหมือนกันแล้วก็กระทบนะอารมณ์กระทบอากาศต่างๆเนาะสมัยก่อนที่นี่ก็อากาศหนาวนหนาวมากหนาวหนาวมากแต่ว่ามันไม่ร้อนมากเดี๋ยวนี้ก็ร้อนมากแล้วบางทีก็หนาวไม่มากเนาะ นะแต่บางครั้งก็เริ่มหนาวมากเนี่ยมั้ยฝนก็ไม่ค่อยตกต้องตามฤดูกาลเท่าไหร่นะปีแล้วก็ตกน้อยมากปีนี้ก็ไม่แน่ใจนะแต่ก็ดีกว่าปีแล้วบ้างเนาะนีะ่นมันก็เป็นสิ่งเรากระทบต่างๆเหล่านี้เย็นร้อนหนอนแข็งเนาะเราก็ไหลเพลิดเพลินเข้าไปในสิ่งเหล่านี้เนาะอือจิตใจเราเหมือนกันเราก็มีความคิดอความคิดต่างๆก็ไหลเข้ามามากมายเนาะ <c oughs> จิตใจนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญมากก็ต้องรู้ให้ทันจิตใจคิดอะไรต้องรู้ให้ทันเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยรูปรสกลิ่นเสียงต่างๆมันก็มาที่จิตใจทั้งหมดเลยนะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงลิ้นกระทบรสจมูกได้กลิ่นร่างกายกระทบเย็ยนร้อนแข็งจริงๆก็มาที่ใจนะใจก็รับรู้นะเพราะใจเป็นตัวรู้อย่างหนึ่งที่สามารถรับรู้ลมต่างๆได้นะ ใจกับความคิดก็ต่างกันนะความคิดก็มีหน้าที่คิดแต่ว่าความคิดไม่มีหน้าที่รู้แต่ใจเนี่ยเขามีหน้าที่รับรู้รับรู้ต่างๆรับรู้อารมณ์รับรู้การเคลื่อนไหวรับรู้ตาหูจมลิ้นกายใจเป็นวิญญาณนะเขาเรียกว่าวิญญาณคือการรับรู้นั่นเองนะตาจักขูวิญญาณหูก็โสตาวิญญาณจมูกก็คานาวิญญาณลิ้นก็เป็นชิวหาวิญญาณ กายก็เป็นกายวิญญาณใจก็เป็นมโนวิญญาณเนี่ยวิญญาณคือการรู้นะเพราะฉะนั้นเราก็มีธาตุรู้อยู่มันก็รู้ในอายตนะห น, นี่แหละใจนี่เป็นคนรู้นะคราวนี้เราก็สามารถที่จะสังเกตดูแลใจเราได้แล้วก็รู้ทันุอารมณ์ต่างๆได้นะเมื่อที่สมัยพุทธกาลก็มีพระโพทิลานี่แหละพระโพทิลนี่ก็เป็นผู้ที่เป็นอาจารย์สั่งสอน ลูกศิษย์ต่างๆมากมายก็บรรลุเป็นพระรหัสนักไปหลายองค์แต่ตัวท่านก็ยังไม่ได้บรรลุเป็นพระรหัส น, นะยังไม่ได้บรรลุเป็นอะไรเลยอื <c oughs> ไปกราบพระเจ้าพระเจ้าก็เรียกวรีเป็นใบลานปล่าเนานะต่อมาท่านก็รู้สึกว่าเออตรงนี้ก็คงเหมือนกับว่าเรายังไม่ได้บรรลุอะไรนะก็เป็นใบลานเปล่ า, าเพราะว่าสั่งสอนก็ได้แต่ว่าตัวเราก็เป็นเหมือนกับใบลานปล่านั่นะนะแหละอนะืก็เลยอยากจะอ่าบรรลุธรรมนะก็ไปขอพระภิกษุต่างๆให้ สอนธรรมะก็ไม่มีใครสอนให้นะจนไปขอสามนเณรที่เป็นพระอรหันต์สอนให้สามนเณรก็ดูว่าเออจะมีทิฐิไหมก็เลยลองบอกว่าถ้าอย่างนั้นนะจะให้สอนก็ไม่เป็นไรแต่ดูว่าจะทําตามที่บอกได้ไหมก็ให้ลงไปเดินในน้ําทั้งจิ๋วบอล น, นะเดินลงไปในน้ําทั้งจิวบอนก็ลงไปแล้วถึงประมาณหนะ้าอกเลยบอกว่าพอแล้วขึ้นมาได้นะก็แสดงว่าไม่มีทิฐิแล้ว เพราะูว่ามีที่ตีเพราะว่าเป็นครูบาอาจารย์ใหญ่นะก็คงจะไม่ไม่เชื่อฟังในในไม่มีที่ตีก็บอกว่าก็เลยแนะนำบอกว่าอจอมปลวกน ะ, อะจอมปลวกมันก็มีรูอยู่หกช่องน ะ, อะตอนนี้ถ้ามีตัวตะกวดเข้าไปอยู่แล้วเนี่ยจะจับตัวตะกวดได้อย่างไรน ะ, ะท่านก็มีปัญญาท่านก็คิดดูว่ามันก็ต้องอุดห้าช่องนะมันจะเหลือช่องเดียวเพราะนั้น เราก็ค่อยดักที่ช่องเดียวนั่นแหะตัวกระดกต้องออกมาในช่องนั้นเราก็จับได้นะตรงนี้ท่านก็มีปัญญาท่านก็ดูว่าเออจริงๆแล้วหกช่องก็คื อ, อตาหูจมูกดิ้นกายใจนี่แหละมันก็เป็นหกช่องนะครั้นี้ทั้งหกช่องมันก็จะมาปรากฏที่ช่องเดียวที่ใจนะที่ใจครั้นี้ถ้าเราคอยสังเกตที่ใจเราก็จะรู้อารมณ์ต่างๆได้เร็วรู้ได้ถูกต้องอรู้ได้อย่างแน่นอนมันต้องเกิดตรงนี้แน่นอนนะเราก็คอยสังเกตตรงนี้ก็สามารถที่จะ อ่จับตัวตะกวดได้คือจับจิตใจจับรมบต่างๆได้ะตรงนี้พอท่านเข้าใจหลังนั้นท่านก็ไปวทำไม่นานท่านก็เป็นรู้เป็นพระรหันเนา ะ, ะนี้ก็เหมือนกันเราจเจริญสติทั้งหมดก็จริงๆแล้วเรารู้ทางกายก็จริงเรามีความรู้ตัวทางกายก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือมารู้ที่ใจนั่นเองรู้ที่ใจว่าขณะนี้ในใจเรามีอะไรเกิดขึ้นไหมมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นไหมนะมีความคิดมีความปรุงแต่งต่างๆเกิดขึ้นไหม <c oughs> เมือ่อมีความคิดมีความปรุงแต่งก็เป็นเบทนาความชอบความไม่ชอบหรือเฉยๆแล้วก็เป็นตัญหาคือความทยานยากกลายเป็นประทานคือความยึดติดไหมเนี่ยตรงนี้ก็เป็นเรื่องของกระบวนของจิตใจทั้งนั้นเลยนะถ้ารู้จักกระบวนการขจิตใจเราก็ออกจากความทุกข์ได้ออกจากความปรุงแต่งออกจากอุปทานออกจากพบจชาติได้เนาะเพราะว่าอุปทานก็เป็นปัจจัยเกิดพบเกิดชาติเกิดความทุกข์ต่างๆตามมา <c oughs> ต, ตรงนี้กคือคนทางอันนี้เหมือนกันนะอ่าเรามาเจริญติก็คือเรารู้กายแต่ว่าในขณะเดียวกันเรารู้ใจไปด้วยเพราะว่ามันเมื่อเรารู้กายแล้วต้องรู้ใจแน่นอนนะมันเป็นสิ่งเรียกว่ามันควบคู่กันมามันก็เราหยิบเหรียญนนะ่ะเหรียญมีด้านหัวด้านก้อยหยิบมาด้านใดด้านหนึ่งนะด้านหัวด้านก้อยต้องติดมาด้วยแน่นอนเนา ะ, ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เห็นจิตใจเราได้มันเป็นเป็นอย่างไรก็รู้ทันนะรู้ทันแล้วก็รู้ต่อไปว่าไง ครูบาอาจารย์เขาบอกว่าให้รู้เฉยๆรู้ซึ้งๆนะไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรกับมันไม่ต้องไปเอาอะไรกับมันไม่ต้องไปเอาดีเอาชั่วเอาถูกเอาผิดกับมันรู้แค่รู้เฉยๆรู้ซึ้งๆก็พอแล้วนะไม่ต้องไปอะไรกับมันเยอะก็คือรู้โดยไม่ต้งคิดนั่นเองรู้โดยไม่มีเงื่อนไขรู้แบบไม่ต้องรู้อะไรนะก็รู้เฉยๆนั่นแหละตรงนี้มันจะแสดงความจริงเราเห็นว่ามันรู้เท่านั้นเองนะมันไม่ได้ไปยุ่งเลยกับมันเรามีหน้าที่แค่ดูไม่มีหน้าที่เป็นผู้เป็นเนาะ นั้นเราก็เข้าใจมันก็เป็นผู้ดูไปนะมันไม่ยุ่งเลยมันเพียงถ้าดูอาการของจิตว่าเข้ามาแล้วก็ไปเข้าเกิดแล้วก็ดับเขามีแต่ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนักตาบังคับบัญชาไม่ได้จิตก็จะเป็นผู้ดูเฉยๆไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรเข้าเนี่ยเป็นผู้ดูเฉยๆเท่านั้นเองนะเป็นผู้ดูไม่เป็นผู้เป็นนะเพราะนั้นตรงนี้ครูบาอาจารย์เขาเน้นในตรงนี้เป็นผู้ดูไม่เป็นผู้เป็นนะเพราะเราไม่ได้ไปทําอะไรกับเขาแล้วเราเป็นหน้าที่ไม่ไม่ต้องไปจัดการไปแทรกแซง อ่าตรงนี้มันไม่ดีนะอ่าความโกรธไม่ดีอ่าเป็นแทรกแซงอ่าขับไล่อ่าบังคับให้เขาไม่โกรธเนาะอะ่ตรงนี้มันดีมันเป็นสิ่งที่น่ารักอ่น่า ย, ยินดีน่าพอใจมาเราก็ไปติดเขาอ่อาไปอ่าอยากจะอยู่กับเขานานๆให้เขาอยู่เรานานๆนะตรงนี้ก็เป็นการไปแทรกแซงอีกนะเราก็แค่ลุย้ยเฉยนะ อะไรดีและไม่ดีก็มีสภาวะเหมือนกันก็คือมันก็เกิดแล้วก็ดับเหมือนกันเราไม่มีหน้าที่ไปจัดการอะไรกันทั้งสิ้นเราไม่มีหน้าที่แค่ดูเฉยๆก็พอแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อเราดูเฉยๆแล้วก็แสดงอาการเกิดดับให้เราเห็นนะว่าเข้ามาแล้วก็ไปเขาเกิดแล้วก็ดับเขาเป็นสภาวะที่มันไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนนะมีความแปลกปนไปธรรมดานะมันก็เห็นสภาวะรมตามความเป็นจริงนี่แหละจิตก็ไม่ได้ไปยึดมั่นถือมั่นอะไรกับเขาอ่ามันก็เห็นมีหน้าที่ดูไปเท่านั้นเองเนาะ เราเราก็เห็นกายเห็นใจเขาก็ทํางานของเขาไปเราไม่น่าที่แค่ดูแค่รู้เท่านั้นเองไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเขานะรู้ซื่อๆตรงนี้นั่นแหละตรงนี้เราก็ไม่เป็นผู้เป็นนะแต่เรารู้เมื่ซื่อแล้วก็เป็นผู้เป็นเพราะว่าเมื่อมันกระทบอะไรก็แล้วแต่นะตากระทบลูกหูได้ยินเสียงมันก็เกิดเวทนาความรักความชังนะถ้าเราไม่รู้สึกซื่อแล้วก็ไปมีปความรักมีความชังเป็นผู้เป็นอเป็นนะ เมื่อมีความรักความชังนั่นแหละนั่นแหละคือโทสะเนาะคือราคะความรักก็เป็นราคะความชอบเป็นราคะความชังก็เป็นโทสะมันก็มีราคามีโทสะตามมานะอันนี้มันเป็นภูเป็นแต่เราดูสืบซื่อมันก็ไม่เป็นไรมันจะมีราคาก็ไม่เป็นไรมีโทสะก็ไม่เป็นไรเราแค่ดูมันเฉยเฉยเท่านั้นเองนะแต่จากการที่เราฝึกรู้สึกตัวมาจนทำนานแล้วนะพอรู้ตัวมันก็ดับไปได้เร็วเพราะเรารู้ทันความคิดได้เนาะ ความคิดเป็นสิ่งเราเราสามารถสังเกตได้ตั้งแต่แรกแล้วเพราะอารมณ์ต่างๆความรักความชังความโกรกก็เป็นความคิดนั่นเองเมื่อเราสามารถสังเกตความคิดได้มันก็ไม่ไปปรุงแต่งต่อมันก็ดับไปนะครับอารมณ์ต่างๆมันก็มันก็ไม่ยาวมันก็สั้นๆนะถึงแม่ไม่ได้ไปทําอะไรกับมันมันก็สั้นๆเองเพราะมันรู้ทันความคิดได้นะเมื่อเราสมัยก่อนรู้ทันความคิดมันก็ดับได้เพราะนั้นรู้ทันอารมณ์มันก็ดับได้เหมือนกันนะตรงนี้เราก็ไม่ได้แทรกแซงเลยเขา เนะพราะงั้นการที่เราสร้างยางบาัะหรือเดินจกมก็ไม่ได้เป็นการแทรกแซงเขาเพียงนั้นเป็นแค่เครื่องอยู่ไม่ใช่ว่าพขโกรธแล้วก็สร้างยาบักใหญ่เพื่อให้เขาหายโกรดนั้นเป็นการแทรกแซงนะตรงนี้ไม่ได้เป็นการแทรกแซงแต่ว่าเร า, รร า, า เ, าาเาาราแค่เป็นการให้เขาจิตมีเครื่องอยู่เท่านั้นเองนะแต่ว่าอารมณ์ต่างๆเป็นแค่การรู้เฉยๆไม่ได้ไปแทรกแซงเขาถ้าไปแทรกแซงเขาเราก็จะกลายเป็นผู้จัด ก, การเป็นผู้ที่ทําให้เขาเป็นไปตามต้องการได้ อันนี้จะกลายเป็นสมรถะไปหมดเลยนะกายวันระบายบังคับเข า, าให้เขาเป็นไปานตามที่ต้องการเนาะเพราะฉะนั้นการสร้างแบบเราไม่ได้ไปจัดสกแางอะไรเราแค่เป็นเครื่องอยู่ของจิตนั่นเองให้จิตมีเครื่องอยู่กับกายนี่แหละกลายเคลื่อนไหวใจรับรู้กายอยู่ไหนใจอยู่นั่นนะตรงนี้เมื่อเมื่อจิตมีกําลังแล้วก็เป็นผู้ดูได้เนาะเป็นผู้ดูตามธรรมดานะตรงนี้นะใจก็มีกําลังขึ้นมาเรื่อยๆนะในการที่เป็นผู้ดูผู้เห็น ใจก็จะเข้าใจพระไตรลักษ์ตามมาในสภาวะที่ว่าเราก็บังคับก็ไม่ได้นะเข้ามาแล้วก็ไปเนี่ยเพราะว่าเรารู้เฉยๆมันก็แสดงพระไตรลักษ์อยู่แล้วว่าเข้ามาแล้วก็ไปเขาเกิดแล้วก็ดับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะเข้าใจพระไตรลักษ์ได้เองโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปตั้งใจที่ไปคิดก็ยังได้นะเพราะมันแสดงสภาวะอยู่แล้วมันก็เป็นสภาวะหนึ่งที่ว่าเราเห็นเขาเกิดแล้วก็ดับมาแล้วก็ไปนั่นแหละเพราะตรงนี้การเจริญสตินี่มันก็จะเห็นในตรงนี้นะเห็นเข้ามาแล้วก็ไปเกิดแล้วก็ดับ นี่คือสบาวะที่มันอ่าที่เราจเจริญสติเป็นอ่าทําได้ก็จะเห็นตรงนี้กันเนาะใจก็จะเข้าใจว่าใจรักได้มากขึ้นว่าเอมันมันบังคับไม่ได้นะจิเป็นแบบนั้นนะตัวเราก็บังคับบัญชาไม่ได้ความคิดเราก็บังคับบัญชาเขาไม่ได้จิตใจบังคับบัญชาเขาไม่ได้นะถ้าเราบังคับเข้าได้เขาก็ต้องเป็นไปตามที่เราต้องการเขาก็ไม่ต้องคิดมากนะให้สงบอสงบสักห้าทีก็ยังไม่ได้เลยเนะ หรือยังไม่รู้ว่านาทีหนึ่งข้างหน้าจะคิดอะไรแล้วก็ทําไม่ได้ทั้งหมดเราก็มีหน้าที่แค่รู้เท่านั้นเองนะเวลบังคับเขาไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่ตัวไม่ตนไม่ใช่ตนของเรานะแต่บังคับเขาไดก็ต้องเป็นตัวปตนของเรานะตรงนี้ก็เกิดปัญญาขึ้นมาว่าเออมันก็เป็นสภาวะหนึ่งนะที่มันไม่ตัวไม่ใช่ตนแล้วเราก็เห็นสภาวะที่มันไม่เที่ยงไม่ตัวไม่ตนแล้วตรงนี้ก็เดินปัญญาได้แล้วนะมันมันเป็นแค่รูปแค่นามเท่านั้นเองนะ ถ้าเป็นตัวเราของเราเราก็ต้องบังคับเขาได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราบังคับเขาได้ก็มันก็เป็นแค่รูปแค่านามเป็นแค่กายและใจ üyor? ไม่ตัวไม่ตนของเราเราก็ไม่หน้าที่แค่รู้เฉยๆเท่านั้นเราก็รู้ไปตามความเปจริงเมื่อเราเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ ต, มตนเป็นแค่รูปแค่านามเป็นแค่กายแค่ใ จ, onnen, ใจก็จะเข้าถึงภาวะที่ครูบาอาจารย์เขาบอกว่ามันไม่เป็นอะไรกับอะไระไม่เป็นอะไรกับอะไรถ้ามันเป็นอะไรกับอะไรก็คือมันก็เป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเปตนตนของเรานั่นแหะ มันก็คือเป็นอะไรกับอะไรเราก็บังคับเขาได้แต่เนื้อเมื่อาบังคับเขาไม่ได้ก็คือเขาก็ไม่เป็นอะไรกับอะไรเพราะว่ามันก็ไม่เหตตัวไม่ตนของเราไม่ไดสัตว์บุคคลินตัวเราเขาเราก็ไม่หน้าที่แค่รู้ไปตามกฎเป็นจริงเท่านั้นเองนะตรงนี้มันก็เกิดปัญญาในเอกดับที่ว่าครูบาอาจารย์ก็ถึงนตรงนี้แล้วเนาะแต่ว่าพวกเราก็ยังไม่ถึงนั้นเราก็ดําเนินไปตามอ่าถาวรการต่างๆเหล่านี้นะโดยการที่เราว่าเราก็มีความขยันบมันเพียนนะก็ไม่ได้ทิ้งในสิ่งเหล่านี้ก็ อาศัยเสริงได้เป็นเครื่องอยู่เครื่องอาศัยเพราะว่าถ้าเราไม่ขยันตอนนี้แล้วแล้วก็จะกลายเป็นคนขี้เกียจตายนะคนเรามันก็มีสั่งสองอย่างนั่นก็คือไม่ขยันก็ขี้เกียจไม่ขี้เกียจก็ขยันนะอยู่ที่ว่าเราจะเลือกอย่างไหนเนาะบางคนก็เลือกขยันนะบางคนก็เลือกขี้เกียจก็อยู่ที่ตัวเราเองมาแต่ถ้าเรามีเวลาน้อยเราก็ต้องเลือกขยันเนาะถ้าเราขี้เกียจก็เรียกว่าเราก็ขาดทุนเพราะว่าเรามาอยู่วัดแล้วแล้วก็มีเวลาน้อยเป็นนักบวช เป็นนักปฏิบัติก็ต้องขยันนะแม่งก็เป็นหนี้ชาวบ้านเขาชาวบ้านมาใส่าบาตรเราเราไม่ขยนันตรงเนี้ยก็ชื่อว่าเราไม่ได้ใช้หนี้กับชาวบ้านเนาะชาวบ้านก็อยากให้เร า, ช า, า, าใราชา้หนี้เขาจริงๆไม่ได้ใช้หนี้เราคื อ, อท่านถวายชาวบ้านถวายด้วยความเคารพว่าเราเป็นพระหรือว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมเนาะเพราะวนั้นเราก็คือเราก็ต้องใช้หนี้เขาในการเป็นนักปฏิบัติธรรมเหมือนกันเนาะตรงนี้ก็คือเราก็ต้อง อ่แต่เราทําไม่เต็มที่นะถ้าเราทําไม่เต็มที่เดี๋ยวจะเป็นหนี้ชาวบ้านเขามันก็เลยว่าเออตรงเนี้ยเราก็เรืงต้องเลือกได้ว่าเราจะขยันหรือเราขี้เกียจใช่ไหมมันไม่มีใครมาคอยบังคับว่าต้องขยันนะต้องขี้เกียจนะแต่ว่ามันอยู่ที่ตัวเราเองว่าเราอ่าตรงนี้เราอ่ามีวิจารณ์รนวิจารณญาณอ่าประมาณไหนใช่ไหมอ่าถ้าเราขี้เกียจเดี๋ยวมันจะเป็นหนี้ชาวบ้านนะเราคิดงี้ปุ๊บมันก็จะขยันเลยนะเนี่ยจะเป็นสิ่งสําคัญว่าเออ เนี่ยเราไม่อยากเป็นหนี้ชาวบ้านก็ต้องขยันแล้วก็ไม่ไม่ใช่ขยันเพื่อชาวบ้านนะชาวบ้านเนี่ยเขาก็ได้บุญอยู่แล้วจากการที่เขาทําบุญนั่นแหะแต่ว่ามันขยันเพื่อตัวเราเองใช่ไหมเพื่อตัวเองจะได้พ้นจากความทุกข์นะเพราะว่าจริงๆแล้วพเราก็มีแต่ความทุกข์นะความทุกข์กายทุกใจเนี่ยเราหนีไม่พ้นอะหนีไม่พ้นนะมันมันหนีไม่พ้นหรอกกายก็มีแต่ความทุกข์นะใช่ไหะใจก็มีแต่ความทุกข์ถ้าเราเห็นว่ามันมีความทุกข์จริงก็ต้องรู้ว่ามันก็ต้องค้นทุกข์ได้เนาะ เพราะการบัตรธรรมมันก็เพื่อความพ้นทุกข์เท่านั้นมันไม่ได้เป็นปฏิบัติธรรมเพื่ออย่างอื่นเพื่อความสุขความสบายมันก็ไม่ใช่แต่เพื่อความพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นการพ้นทุกข์มันก็ต้องมีความทุกข์ด้วยมันไม่เอาปฏิบัติธรรมแล้วจะมีแต่ความสุขนะไม่ปฏิบัติธรรมแล้วมันจะไม่ง่วงไม่เบื่อไม่หนายไม่หิวไม่กระหายมันไม่มีความทุกข์มันก็ไม่ใช่มันก็คือปฏิบัติธรรมก็ต้องมีความทุกข์มันต้องเอาทุกข์มาแก้ทุกข์นะแต่ถ้าเอาความสุขมาแก้ทุกข์มันแก้ไม่ไไดด้นนปปปฏิบบััััตธรมมลเเื่อก็ูหงงงพ ไปไปกินไปเที่ยวนะนั้นก็เรียกว่ามันไหลาตามกิเลสมันจะสุขมาแก้ทุกไม่ได้มันต่ อ, อความทุกมาแก้ทุกนั่นแหละนะแต่ความทุกมันก็ไม่ได้เป็นทุกจริงๆหรอกก็แค่เราทนกับความทุกเท่านั้นเองนะทนกับความทุกจากการที่ความง่วงบ้างความเบื่อบ้างความขี้เกียจบ้างความปวดเมื่อยบ้างนะตรงนี้ก็เป็นความทุกเล็กน้อยเท่านั้นเองนะมาแต่ว่าผลประโยชน์ก็คือความทุกขเมื่อเรา สามารถเข้าแก้ก็ได้นะคือเราไม่ได้ไปแก้ทุกในอนาคตการนะความทุกอย่างนึ่ก็คือจริงๆแล้วมันหมายถึงความนิโรดนั่นแหละคําว่า น, นิโรปแปลว่าดับทุกข์ น, นิโรปคือการดับทุกข์หรือว่าอาจจะหมายถึงพระนิพพานเนาะเพราะนั้นพระนิพพานไม่ต้องไปรอว่าชาติหน้าค่อยนิพพานนะบางทีอธิษฐานขอให้ถึงพระนิพพานในการอนาคตการเมืองนานุนเทินก็หนะมายเขออา จ, จะไปดับหน้าเา จ, จะไปดับทุกข์ในอนาคตการหรือชาติหน้ามันเป็นไปเป็นไปได้ไหม มามันดับทุกข์ก็ต้องดับทุกข์ในชาติปีบันนี้หรือว่าในปัจจุบันนี hmm. ้ในขณะนี้ในที grew, ่นี่ในเดี๋ยวนี้นั่นเองเนาะเพราะฉะื่องความทุกข์เกิดขึ้นตรงไหนก็ต้องดับตรงนั้นไม่ต้องไปรอในอนาคตนะความทุกข์มันเกิดจากอะไรก็เกิดจากอารมณ์เรานั่นแหละนะก็มีในในหลวงก็ถามหลวงปู่ดูลว่าอ่าจะละกิเลสตัวไหนก่อนหลวงปู่ดูบลว่ากิเลสตัวไหนเกิดก่อนก็ดับตัวนั้นเพราะฉะนั้นอ่าเมื่อมีกิเลสอะไรเกิดขึ้นก่อนเราดับตัวนั้นก็คือความทุกข์อะไรเกิดขึ้นก่อนก็ดับตัวนั้นนะ เราก็ไม่ต้องไปล้อว like you know, ่าต้องดับตัวไหนตรงเนี hmm. ้ยตรงไหนเราดับได้ก็ดับไปมีความโกรธก็ละความก็รู้ทันความโกรธมีความรักก็รู้ทันความรักเนี่ยมันการละไปในตัวแล้วนะนี่แหละคือการดับทุกข์เนาะม่นต้องไปล้อว่ามันจะต้องดับตอนไหนอะไรเกิดขึ้นก็ดับตอนนั้นแหะคือการดับทุกข์ดับกิเลสแล้วนะมันดับไปเรื่อยๆใจก็จะเริ่มเข้าใจความจริงว่ากิเลสมันก็เป็นของปลอมนะมันไม่คงจริงมันมีแต่การเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะมันก็ไม่ใช่ตัวไม่ตนจริงๆหรอก มันก็มาแล้วก็ไปนะไม่ถ้ามันเป็นตัวเราก็ต้องเราก็ต้องโกรธถาวรนะหรือถ้าเป็นของเราความรักของเราเราก็ต้องรักถาวรนะแต่สิ่งพวกต่างเราเนี่ยเขาเป็นมาแล้วก็ไปทั้งนั้นนะเราก็เข้าใจตรงนี้มันก็ปล่อยมันก็เริ่มปล่อยจิตแล้วเพอจิตก็คือตัวทุกข์นั่นเองนะจิตมันมีแต่ตัวตัวทุกข์ทั้งนั้นนะไม้แต่ความรักก็จะเป็นความทุกข์เลยนะเพราะมันขอไม่เที่ยง เมื่อไเข้าใจเออจริงๆแล้วความทุกข์ไม่ใช่อะไรก็คือจิตมันเป็นตัวทุกข์เมื่อเราเห็นว่าจิตเป็นตัวทุกข์มันก็จะเริ่มปล่อยเริ่มวางจิตมันก็เริ่มปล่อยจิตนะเมื่อเริ่มปล่อยจิตนั่นแหละตรงนี้เราก็จะบรรลุเป็นอสามารถที่บรรลุทําได้ไม่ยากเนาะเพราะมันเริ่มปล่อยแล้วมันรั่วกายมันตัวทุกข์เนี่ยมันเห็นชัดกายนี่มันตัวทุกข์แท้ๆเลยนะมันไม่มีอะไรที่มันจะไม่ทุกข์เลยกายเนี่ยนะมันก็ลดยนตต้องคอยซ่อมํารุงอยู่ตลอดเวลานะ ไม่ไม่ไม่ไม่ทานอาหารไม่ต้องหิวมันก็ตัวทุกข์อยู่แล้วไม่ไม่นอนก็ต้องง่วงใช่ไหมไม่ไม่ลุกขึ้นเดินก็ต้องปวดเมื่อยนะี่ไม่ทานยาก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายมันเห็นว่าเป็นตัวทุกข์แต่มันยังเห็นจิตใจมีความสุขนะมันไม่เห็นความทุกข์ในจิตใจเราเพราะต้องเห็นใจเนี่ยหลักคือตัวทุกข์ถ้าถาบไดที่เริ่มเห็นว่าใจเป็นตัวทุกข์แล้วมันจะเริ่มปล่อยเริ่มปล่อยใจ อ่าเริ่มคลายออกจากความยึดในใจเมื่อมันปล่อยใจทิ้งนั่นแหละมันจะบรรลุธรรมเนาะตรงนี้คือหนทางแห่งความบนทุกข์เนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้เมื่อเปิธรรมแล้วเราก็อ่าเป็นหนทางที่ถูกต้องเราก็เดินได้ถูกต้องแล้วอันนี้ก็คืออ่าความหมดทุกข์ก็จะอยู่ข้างหน้าเราอย่างแน่นอนเนาะอยู่ที่ว่าเราจะเดินไหมอ่าเราตั้งใจเดินแค่ไหนแล้วเรามีความเพียรแค่ไหนต่างหากเนาะเพใ น, ในท้ายที่สุดนี้ก็ขอรัตนาบา ร, รมีคุณพระไตรน้อมนำทุกท่านจเจริญด้วยศีล สติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้โดยเร็วพันทุกท่านเทิน